บททีเจ็ดสิบสีตัวฉิชระสุกุประตฉระสุุปชระขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างซโกรมเฉชยอุนซโกรมเชอุนคุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะ สุัดกัฟิจโอบขวเพนพลัจโิตาอย่าให้สั้นเกินไปนะคะมิเจอควดดูขุษตมมิสั้นอีกนิดนะคะเกน่ะจักูขุษตมม ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะสุรทขะรูะฟนฉสุรทขะะฟนฉรูปอยู่ในซีดีค่ะสุรทขดิสกมเจึสุรทขดิสกมเึรูปอยู่ในกล้องค่ะสุรสัทขึฟอตาปราตุมเดชิก สุรทัทย์ครฟตาปาราตุมเดลุช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะสภาพรบกซ์เจจินเพลจิสตาสภาพรบกซ์เจจินเพลจิสตากระจบแตกอับชิรกุตาหะอับชิรกุตาหะแบตเตอรี่หมด บตตอรี่รัตบตสกบตเตอรีรตสกช่วยรีเซื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะจานนวุเชดซึนสเลชชจิ ช, ช, ชิชตช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะอนเชจสูขับซึนเลชชิต อนเจ็ดครัสู่ควบจนเสร็จสิ้นช่วยซ้อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะชิรุกครับเจ็ดเอ็ดเจินสร็จสิ้นชิรุกครับเจ็ดเอ็ดเจินสร็จสิ้นขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมคะิรนิชฟีอาิรนิชฟีอา คุณมีไม่ขีดหรือไฟแช็ไหมค ะ, ส, มจะจมสึสรนิจเยนมิจมาชอซาราาารฟิอนรนิจเยมิจมชอซาราาการเนระฟิอนะคุณมีที่เขี่ยบุหรีไหมคะทุตินสตาฟะคชซาราตารินตินสตาฟซาราตากรฟิอนะ คุณสูบซิก้าไหมคะซิการ์วีสาซิกาวีสาคุณสูบบุหรี่ไหมคะตุตินวาุตนวีสซาคุณสูบไปไหมคะลูเลจตุตินวาลูเลุตนวีสา